แก่น ร, รมจากรัตนวลีแปลและเรียบเรียงโดยชยะธรร ม, มพิกขุสารบัญคำนำผู้แปล 1. 1. คุณธรรมพื้นฐาน <S 2. ค <2. S> ํคำสอนอันสูงสุด 3. ทางสายกลาง 4. โลกุตระ ห้าโลกแห่งมายาหกในโลกสมมุติย่อมหมายถึงการปฏิบัติเจ็ดสีลาจารวัตแปดปัญญาเก้าพิจารณากายสิบเมตตาบารมีสิบเอ็ดปัญญาในการดำเนินชีวิตสิบสองอานิสงส์แห่งการดำเนินสิบสาม เหตุแห่งริษ14พิจารณาจิต15วิธีแห่งทางดำเนินเพื่อประโยชน์อันยิ่ง16วิธีแห่งพรหมจรรย์17วิธีแห่งโคธิสัตคำนำผู้แปลรัตนวลี เป็นงานรจนาของท่านนาคารชุนปราชผููยิ่งใหญ่ทางพุทธศาสนาในยุค ป, ปีพศ500ซึ่งเกือบจะถือได้ว่าท่านเป็นบิดาแห่งพุทธศาสนาฝ่ายมหายานท่านเป็นผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรื่องอย่างมากทั้งทางปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทจนถึงกับได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองงานชิ้นนี้ ท่านได้แสดงไว้ต่อพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นการร้อยกรองคำสอนได้อย่างไพเราะลึกซึง้งกว้างขวางและลุ่มลึกครอบคลุมทั้งโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมอย่างสมบูรณ์ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่มีทักษะทางภาษาได้พยายามคัดเลือกและแปลงานชิ้นนี้ไว้ก็เพื่อไว้ทบทวน และนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของตนเองการแปลของข้าพเจ้านั้นอาศัยความรู้สึกที่มีต่อความหมายที่บรรยายไว้โดยภาษาอังกฤษและประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติของข้าพเจ้าเป็นหลักโดยที่ไดอาศัยหลักการทางภาษามากมายนะักหากปราดทางภาษาได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกหลักไม่ถูกเกณฑ์ในการแปล หรือในการใช้ถ้อยคำก็ขอให้ลืมลืมมันเสียเพราะข้าพเจ้าแปล ง, งานนี้ก็เพื่อประโยชน์แต่การพัฒนาจิตของข้าพเจ้าเองเป็นหลักมิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแต่หากผู้ใดก็ตามที่ให้ความสำคัญกับความหมายมากกว่าเรื่องของภาษาและเห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนาจิตของตนยิ่งกว่าสิ่งอื่น ข้าพเจ้าก็รู้สึกยินดีที่จะแบ่งปันงานชิ้นนี้เพื่อประโยชน์ท่านเช่นเดียวกันงานเขียนของท่านนาคารชุนนับว่าเป็นงานที่อ่านยากและเข้าใจได้ยากมากซึ่งอาจเป็นเพราะส่วนใหญ่งานของท่านเน้นที่จะชี้ให้เห็นเรื่องของทางสายกลางความนอกเหนือธรรมคู่ทั้งหลายและมุ่งเน้นที่จะชี้ถึงความจริงอันสูงสุด ultimate truth ซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ด้วยภาษาและอีกเหตุผลหนึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความฉลาดลุ่มลึกมากการยกตัวอย่างหรือใช้เหตุผลเปรียบเทียบรวมทั้งอุปมาอุปไมยของท่านจึงมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากซึ่งผู้อ่านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค่อยๆพิจารณาให้ดีอย่าใจร้อนเผารนไปด้วยไฟแห่งทิฏฐิมานะ ประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าขอน้อมขึ้นบูชาคุณแห่งพระบรมครูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านอาริยนาคารชุนผู้เป็นเสมือนผู้ชี้ทางสว่างให้แก่ข้าพเจ้าผู้มืดบอดอยู่ในสังสารวัตรมานมนานนับกับกันชยะธมูพิกุ